ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประปพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิิก็สืบต่อกันมาถึงช่วงที่เป็นการพูดถึงผลของความเห็นที่เป็นสมาธิิแล้วแสดงออกมาต่างด้านกายกรรมบ้างวิออจิกรรมบ้าง หรือแม้แต่ตัวมนุกรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะเพราะว่าในส่วนของศีลเองก็ต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลในเจตนาในการที่จะสํารวมระวังมดเว้นในส่วนของทานเองก็ต้องเกิดขึ้นโดยกุศลในเจตนาที่มองเห็นคุณค่าของการให้ทานมองเห็นโทษของการไม่ให้ทาน มองผู้รับทานด้วยความรบความนับถือความศรัท ธ, ธาความเมตตาความสงสารแล้วก็มองทานว่าเป็นสิ่งที่เราให้ไปดีแล้วคือเป็นสม บ, บัติที่ติดตัวเราได้ก็ในด้านของคุณธรรมเหล่าอื่น ก็เป็นกระบวนการทางกายวาจาใจที่จริงก็สะท้อนจากใจด้วยกักนนันมีธรรมะอยู่อีกข้อหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มีความสำคัญได้แก่ศรัทธาความเชื่อปัญหาเรื่องความเชื่อนั้นมันก็มีทั้งสองแนวแนวหนึ่งที่เรียกว่าน้อมใจเชื่อไป มันประเด็นไม่ค่อยสำคัญที่ตัวน้อมใจเชื่อหรือไม่นอใจเชื่อแต่ก็มีปัญหาที่ว่าเราน้อมใจเชื่อในเรื่องอะไรแล้วก็ในใครคือถ้าหากว่าวัตถุบุคคลควรแก่การเชื่อถือแต่เราน้อมใจเชื่อเนี่ยมันก็มีแต่ผลดีเพราะชีวิตของเราส่วนใหญ่มันก็ผูกพันกับศรัทธามาตลอดคือตั้งต้นจาก เชื่อแม่นะเชื่อพ่อเชื่อคนที่ใกล้ตัวเรามาโดยลำดับเป็นครูบาอาจารย์ทั้งญาติผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเพื่อนฟูงอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อกันมาได้โดยตลอดตลอดถึงเชื่อที่สำคัญอย่างยิ่งก็ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือเชื่อมั่นในคุณของปรัตนตรัโดยเฉพอย่างยิ่งก็คือเชื่อมั่นในประพุทธคุณ เพราะความเป็นศาสนาทุกๆศาสนาในโลกเนี่ยจะไปยึดโยงอยู่กับศาสดาเนี่ยเป็นประการสําคัญบางครั้งศาสนาก็อาจจะไปยึดโยงอยู่ในสิ่งอื่นของเราที่จริงก็ยึดโยงอยู่กับพระธรรมนะครพระเจ้าก็ไปยึดโยงอยู่กับพระธรรมพระธรรมก็ไปยึดโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงเคารพพระธรรม เพียงแต่ว่าพระพุทธคุณนั้นมันมีความเป็นนามธรรมเพราว่าการตามความเป็นจริงก็คือหลักธรรมหรือองค์ธรรมนั่นเองเพียงแต่ว่าผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติผ่านการสัมผัสไปสัมผัสผลและสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมเป็นวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าซึ่งว่าที่จริงก็คือสะท้อนธรรมมาออกมา โดยเนื้อหาสาระจริงๆแลพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเนี่ยก็เป็นเดียวกันอย่างที่ทรงแสดงแก่พระวักกะลิซึ่งบวชมาแล้วก็ติดตามดูพระองค์อยู่ตลอดเวลานา น, านเมื่อถึงจุดหนึ่งทรงเห็นว่ามันก็ควรจะให้เหตุผลสติปัญญาแก่ท่านก็รักสั่งเป็นทำนองขับไลใ่ใจความว่าวักกะลิพิขุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายกระถาคตเป็นของปืยเน่า ผู้ใดเห็นธรรมพู้นั้นเชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราพู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมก็แสดงว่าพระพุทธคุณก็คือธรรมคุณเพียงแต่ว่าธรรมคุณที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วมันเป็นผลออกมาเป็นอาการเป็นวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าผลการเคลื่อนไหวในประชนมาชีพของพระพุทธเจ้า่จริงก็คือแสดงให้เราเห็นถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรม แล้เมื่อเรากล่าวโดยสรุปก็คือเป็นพระคุณทั้งสามประการพระคุณโดยสรุปนะฮะสามประการก็โดยขยายก็ขยายเท่าไรก็ได้แต่ก็สรุปอยู่ที่พระพุทธคุ ณ, คณทั้งสามประการทีนี้ความเชื่อตรงนี้ยมันต้องมีกำลังพอสมควรจะน้อยที่สุดก็ไม่งอแง่กร้อนแคลนมากเกินไปแบบสัทธาวเต่าคือป้โป้โปรเอนืยอยือมันก็ได้ มันต้องมีพลังในการขจัดความไม่เชื่อขจัดความเครือบแค่งสงสัยและในความไม่เชื่อนั้นมันต้องออกมาในรูปต่างๆซึ่งจากการสังเกตเวลาไปบรรยายในที่ต่างๆช่วงหนึ่งนี่จะมีการตรอบปัญหาโดยเฉพาะในวงการศึกษาเนี่จะมีการตรอบปัญหาอยู่มากและปัญหาที่ค่อนข้างมากเนี่ย ที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าก็คือส่วนมากพระประวัติบางตอนเจ็นประสูตรมาแล้วเดินด้วยพระบาทในเจ็ดเก้าเนี่ยรู้สึกจะเจอบ่อยที่สุดนั่นก็แสดงให้เห็นด้ ว, ว่าพลังศรัทธาเราไม่มีมีกําลังไม่เพีพอคือไปประเมินตัวเองเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนอย่างเราทําไม่ได้เนี่ยคนอยากพระพุทธเจ้าก็คงทําไม่ได้ เลยลืมคิดแบบง่ายๆเนี่ยว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเราพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะเราก็เป็นเหมือนเราแต่คนสามารถจะประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยศรัทธามันก็หนักแน่นมันคงขึ้นจะไม่ใช้ความเครือบแคลงสงสัย มาเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนไม่ให้ตัวเองเก้าวหน้าไปในวิถีแห่งพุทธธรรมแต่ลักษณะคองสศรัทธาเนี่ยก็แสดงออกมาให้เห็นอย่างน้อยเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยมันก็คุบคลีอยู่กับเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆก็หนึ่งใครจะพบคนดีผู้มีศีล ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นภิกษุสามเณรนุบาศุปสิก า, ามก็เหมือนกันแหละมายความว่ายินดีที่จะพบหาสมาคมร่วมหลักความคิดร่วมกิ จ, จกรรมสุนทนาปราศัยร่วมไปร่วมอยู่ร่วมกิ จ, จกรรมต่างๆกับท่านที่มีศีลในขณะเดียวกันคนที่ไม่มีศีนเราก็เกิดไม่ตากูณาเขาก็หาสมาคมในรูปของการสงเคราะห์นั้นได้แต่จะร่วมกิ จ, จกรรมร่วมหลักความคิดกันมันวมทําไม่ได้ คือมาความมา ก, กับคนเหล่านั้นเราก็ใช้ไม่ตากลรนะแต่ว่าคนที่มีสีเนี่ยเราแสดงถึงความชื่นชมยิน ด, ดีที่จะได้สัมผัสกับท่านแล้วก็ได้ประโยชน์จากท่านแล้วพอใจใส่ใจที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะคิดค้นธรรมะจนปฏิบัติธรรมะและพยายามที่จะขจัดมนทินคือความเสนี เพราะพลังศรัทธานี่ระดับหนึ่งเนี่ยให้เราสังเกตว่ามันไปขจัดความสนีได้และทําให้คนพร้อมที่จะบริจาคโดยสงเคราะห์โดยอนุเคราะห์โดยบูชาก็ตามแต่ถ้าเราศรัทธาระย่อนเนี่ยมันก็ไปขจัดไม่ได้ไปจัดไม่ได้จิตมันก็ไม่ผ่องแพ้วจิตมันเหนียวหนืดมันมียาง แล้วก็ทําให้ความเจริญก้าวหน้าในทางจิตนี่ไปไม่ได้คือจิตมันไม่ป่องใสเพราะศรัทธาเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดถึงความผ่องใสก็มักจะพูดควบรวมไปว่าศรัทธาระสาธรคือความเชื่อความเลื่อมใสทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลสัมแดงพลังของศรัทธาออกมาทางออกมาที่ใจนะออกมาจากใจะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจา โดยลักษณะทั้งสามปรการดังที่กล่าวแล้วคือใครพบผู้มีศีลแล้วก็ใส่ใจในการฟังธรรมและพยายามไปจัดมวลทิมคือความเสียดิออกไปจากใจแสดงออกมาในรูปของทานการสงเคราะห์การร้องเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการสัมผัสสังคมในแวดวงที่กว้างออกไปแต่ใครพบท่านผู้มีศีลเนี่ยเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา หรือก็ฟังธรรมเองเนะฮะก็เป็นผลประโยชน์ที่ค่อนไปทางส่วนตัวแต่ว่าการขาจัดมณทินคือความเสน่ห์แล้วก็สงเคราะห์นุเคราะห์บูชาคนอื่นเนี่ยทํางานในรูปของสังคมสงเคราะห์เนี่ยมนันเกือเกอเกอเก้อกูลแก่สังคมก็แสดงว่าพลังก็ศรัทธาก็าสูงขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมก็สัมผัสได้เพราะในข้อนี้พระเจ้าก็ทรงแสดงอานิสงส์งอนนสงเอาไว้5ประการเหมือนกัน แต่ต้องเข้าใจว่าถือว่าเป็นปริยายหนึ่งนะฮะสรงแสดงไว้ในสถาในสังสสุคือสูตรที่ว่าด้วยอนิสงส์ของศรัทธาประการแรกคือสัตว์ปุรุษผู้สงบในโลกเมื่อท่านจะอนุเคราะห์ก็อนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนกอนีลองสังเกตว่าแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเอง ไม่ได้จะเสด็จโปรดใครก็ตามนะก่อนจะเทศจากแม้แต่บิณฑบาตเนี่ยคนเหล่านั้นจะต้องเกิดศรัทธาในพระองค์ก่อนแปลว่าไม่เกิดศรัทธาจิตไม่พร้อมที่จะฟังไม่พร้อมจะบริจาคทานไม่พร้อมจะรักษาศีลไม่พร้อมที่จะคุยด้วยมันก็นยังไม่คุยกันอย่างที่เราไว้ในตอนต้นที่ก่อนจะเทศสอนท่านปัญจวัคคี เราเห็นว่าใจิตใจท่านปัจจาขีก็กระด้างกระเดื่องปฏิเสธระสัพันยุตยานของพระองค์ก็แสดงว่ายังไม่เชื่อเราก็ต้องพูดทำความเข้าใจและให้ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนจากกฎีการนานไกลเอาเองจนท่านยอมจำนนในด้านเหตุผลคือไม่สามารถโต้แย้งได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านก็เชื่อต็ที่ วิญญาก็ป่อให้ต่อสู้กับความคิดไปก่อนวันก็พบกันในตอนเย็นวันขึ้น14ค่าเดือน8แต่ว่าไปเทศธรรมจากรวัฒนสูตรในวันคืนขึ้น15ค่าเดือน8ตอนเย็นเหมือนกันก็ปล่อยให้ต่อสู้กันกับจริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็เป็นเวลานา น, านแต่คนบางคนมีอยทยาศัยอ่อนโยนอ่อนโยนจนน่ารักมากมากนะ เราลองนึกภาพของพระยศกุลบุตรที่เดินบนไปว่าที่นี่บุญวายนอนที่นี่กาดข้องนอนพระเจ้าเสด็จออกมาก่อนในกลางดึกนะฮะจริงๆแล้วทำกลางความมืดด้วยแล้วสั่งวิายัตว์ที่นี้ไม่บุญวายที่นี่ไม่กัดข้องมาที่นี้เถิดนนั่งลงเถืดเราจักแสดงธรรมแก่เธอ ด้วยอัิยะสัยที่อ่อนโยนมีความพร้อมพระเจ้ารับสั่งอย่างนั้นท่านก็เชื่อเลยเชื่อว่ า, ราพระพุทธเจ้าสาม Lo สารถจะแก้ความขัดข้องความวุ่นวายแก่ท่านได้แล้วก็แก้ได้จริงๆหรือว่าอย่างพ่อของพยงาศาก็เหมือนกันนะครมาถึงก่าวทุนถาว่าประม า, าสมณะเห็ยยศากุลบุตรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหม พรเจ้ารับสั่งไว้นั่งมาเถอล ะ, ะลอยจะรอเพื่อพบยาศศร์ที่นี่เองแล้วก็นั่งแล้วก็ปรงใจเชื่อเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่ไปวิตกกังวลคือไม่มีความปริพเทในเรื่องของยาศศรใจก็พร้อมจะฟังธรรมพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะซ้ำกับที่แสดงแก่พระยาศศรอีกรอบหนึ่ง ตอนเสร็จทีฟังแล้วได้บรรลุมรรคผลเป็นประโสดาบันปัญญาไม่ใช่ตัวยะศาเอกนี่ได้บรรลุมรรคผลเป็นประหาร น, นั้นเราจะเหนว่าสัตวบุรุษทั้งหลายมีรูปเทียบเป็นต้นเนี่ยทือท่านคือเล ก, กาละณะวาสิโกคืออยู่ในหน้าแทงเหตุคนเราถ้าไม่พร้อมนี่ไม่รู้จะพูดทําอะไรนะป่วยการกาเปล่าๆคือสูญเสียเวลา บางครังบังขาวเรามองนักศึกษาที่เราสอนอย่างนี้นะก็ดูแล้วในบางทีบังขาดความตั้งใจมากๆหรือตามปกติมาเป็นคนค่อนข้างถือนะเรื่องเวลาเนี่ยถือมากเป็นคนที่ตรงรเวลาเข้าตรงเวลาออกตรงเวลานะแต่บางทีเราก็ปวดทรวงนักนศึกษาเขาไม่ค่อยพร้อมที่จะศึกษา โดยจะย่อยิ่งยิ่งคือเรียนระดับอภิธรรมเป็นยาโทเนี่ยมันก็ค่อนข้างยา ก, ก น, นะแล้วมือไม่สนใจก็ยิ่งไปกันใหญ่คือตามปกติไม่ค่อยนิยมขาดแต่บางทีเราไปสอนที่มหาวิทยาลัยข้างนอกนี่มีนักศึกษาถึงสี่ห้าร้อยแล้วเราก็มาอยู่กับคนซึ่งไม่พร้อมอยู่ยี่สิบสามสิบเราไปสอนคนสี่ห้าร้อยเนี่ยเราก็บางทีก็ ขาดไปเลยคือรู้สึกว่าทางน้นจะได้ประมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วเขาก็พร้อมจะฝังเรื่องนอนธรรมะมาประชุมรออยู่ตั้งสี่ห้าร้อยคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานันก็แสดงว่าความพร้อมนี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะพูดจะแสดงจะสั่งสอนจะอบรมจะอะไรก็ตามแต่คนไม่พร้อ ม, มน่ยก็จบพระสัตว์บุรุษท่านจะสงเคราะห์ คือดูความพร้อมนั่นเองนะฮะศรัทธาที่จริงก็คือเรื่องความพร้อมนั่นเองพร้อมที่จะอ่านพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะสนทนาพร้อมที่จะศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วสัตว์บุผู้สงบในโลกมันจะเข้าไปหาไปจะเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนส่วนคนเยอะเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นผู้อนุเคราะห์โลกถ้าไม่ได้เข้าไปเพื่อตัวของท่าน แต่ทีนี้ถ้าผู้ฟังเขาไม่พร้อมแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาที่พระพุทธเจา้าส่งตรวจ ด, ดูสัตว์โลกเนี่ยตอนใกล้รุ่งก็เรียกว่าพุทธเวไนยอหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ในวิสัยจะแนะนําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะได้ยังไม่มีอะไรในเพราะเชื่อความเข้าใจในาศาสนาเอาไว้ภายในจิตใจของท่านเราได้ พระเจ้าก็เสด็จไปโปรดทางการเข้าไปหาเนี่ยมันไปไปเพื่ออนุเคราะห์ต่อเขาแต่เขาไม่พร้อมนะคล้ายๆกับพระเจ้าเสด็จไปโปรดองค์กลิมานเนี่ยจะเห็นว่าโดยจริงๆเนี่ยข่าวคราวที่เกี่ยวองค์ลิมาพระเจ้าก็รู้มาโดยลําดับนั่นแหละแต่ปัญหาสําคัญว่าในสภาพจิตที่ไม่พร้อมเนี่ยพูดไปกันทอนนั้นเอง และบางครั้งาคราวเนี่ยท่านอาจก็จะทำบาปเอามันก็ต้องรอจังหวะรอเวลารอความพร้อมพอสมควรประการต่อไปเนี่ยสมมติว่ามีผู้มาเยือนที่บ้านของท่านท่านสัตว์บุตรจะให้การต้อนรับแก่คนที่มีศรัทธา ก, ก่อนเพราะอะไรเพราะสามารถให้ประโยชน์แก่เขาได้ เราเรียกว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกจะมีคราวหนึ่งนางจุลสุปธาลูกสาวของท่านอนาตบินเอกศเศรษฐีท่านอธิฐานจิตนิมนต์พระพุทธเจ้ามาจากที่ไกลนะฮะร้อยประโยชน์แต่พอดีพระโมคกัลลานะทันไปรับนิมนต์เอาไว้ในที่นั้นมันก็เกิดปัญหา โมคลลานะก็บอกว่าไปขอผ่าพระพุทธเจ้ารับส <elle> <t> ั่งให้ไปขอผ่าแก่ญาติโยมผลนั่นซะก่อนเขาก็ขอพระพุทธเจ้ารับประกันชีวิตว่าแก่ต้องไม่ตายซะก่อนและรับประกันศรัทธาแก่ด้วยว่าแก่ต้องไม่เสื่อมศรัทธาซะก่อนพระเจ้าบอกว่าชีวิตรับประกันให้คุณไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าศรัทธาในคุณต้องรับประกันเองพุทเจ้าไปรับประกันให้ไม่ได้ เพรา ะ, ะรเพราว่าการเสด็จไปที่บ้านนางจุรสุพัฒนาเนี่ยจะได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ไปแานนั่นแต่ว่าเศรษฐีคือบดีคนนั้นเมื่อก็ได้ทำทานธรรมดาธรรมดาอย่างเด่นดงนั้นเด็กแตก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ไปถึงตรงนั้นมันแก้สกุลมิจฉาทิฏฐิากลายเป็นสมารทิฏฐิได้นั่นก็คือยอดของสัตว์ปรุษคุอเป็นผูุ้เคราะห์โลกเขาก็ก็ก็ก็ทางานอย่างเงี้ย คือไม่ได้มองว่าคนเองจะได้อะไรแต่ว่าการไปของท่านเนี่ยบุคคลในสถานที่นั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากการไปเราลองสังเกตว่าแม่พระเจ้าเสด็จเสด็จไปกรุงกบิลพัทเนี่ยก็เสด็จไปชาช้าเพื่อรอบ่มอินทรีย์ของนั้นเหล่านั้นไปถึงก็ยังไม่สุก ง, งอมนะฮะต้องแก้ไขกันเยอะเลยกว่าจะลงตัวได้ เพราะเมื่อคนคนดีๆอย่างเนี้ยมาหาเนี่ยถ้าคนมีศรัทธาในี่ยพูจจาอะไรก็เขาง่ายแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากการต้อนรับเขาคือไม่ใช่ว่าคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากการต้อนรับเขานะฮะคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการการที่เราต้อนรับเขามันก็แบบธรรมะแบบสังคคุณนะฮะท่านท่าผู้ฟังลองสังเกตว่าสังคคุณห้าบทหลังเนี่ย อาหุนยโยเป็นของขวรแก่ครับเป็นผู้ควรแก่ของคํานับหมายความว่าคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราไปสู่สำนักของท่านเนี่ยเรารู้แล้วคล้ายๆท่านไดนะ้แต่เราได้มากกว่าท่านเยอะเลยสมมติว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราไปถวายอาหารท่านท่านก็ฉันไดนะ้ก็ได้อิ่มเดียว แต่ว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการถวายทานแก่พระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบมันเป็นผลเป็นอ น, นิสง์กัเราะบางทีปาหุนโย ค, คือท่านมาเองเละท่านมาสงเคราะห์เราเองเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปสงเคราะห์พวกนางจุหลาบุษปฐากับครอบครัวของสามีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะทรงมองเห็นผลประโยชน์ที่คนเหล่านั้นจะได้จากการเสด็จไปของพระองค์ ทีนี้เวลาแสดงธรรมสัตว์ุรุตผู้สงบในโลกเมื่อจะแสดงธรรมก็แสดงธรรมแก่คนที่มีศรัทธาก่อนอันนี้ชัดเจนนะฮะถ้าไม่ศรัทธาแล้วยังไม่แสดงหรอกคือคนจะต้องพร้อมพอสมควรบางทีมันก็หายไปเลยนะเช่นตอนเสด็จไปโปรดพวกไปจักพิมพิสารเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพบริษัทเนี่ยไม่พร้อมมันก็ต้องปรับสภาพความพร้อมซะก่อน เพราะว่าท่านเครือบแแปลงสงสัยว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับท่านอรุปริลาการสปะนี่ใครเป็นอาจารย์ใครเป็นสิทธิ์กันแน่พระเจ้าก็ต้องใช้หนามยอกนําบง่งคือให้พระอรุปริลาการสปะนี่เป็นคนชี้แจงเองแล้วก็ถอนความเครือบแแปลงสงสัยออกจากใจของท่านเหล่านั้นเองเมื่อท่านเหล่านั้นมีความพร้อมรู้เจ้าประเทศเสร็จแล้วคนก็บรรลุมรรคผล แต่ลักษณะเหล่าเนี้ยมันมันเรามองในเรื่องทั้งหลายได้นะแม้ในเรื่องระบบการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยการใช้รัฐมนุนใหม่กฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไม่พร้อมไม่พร้อมหมดฮะไม่พร้อมท้งแม่แต่กรกตอเองก็ยังไม่พร้อมนแล้วมันก็เป็นปัญหาเพราะไม่พร้อมเนี่ก็มีปัญหาและก็เป็นปัญหาคาแผ่นดินจนในที่สุดเนี่ยบางทีเนี่ย คนนี้ต้องผ่านไปก่อนก็ต้องผ่านไปก่อนเพราะกนตัจจก็หมดอายุคนรุ่นใหม่ก็มาก็ไม่รื้อฟืน้นสิ่งที่เราคิดว่าจะถูกต้องสมบูรณ์มันก็ไม่เคยสมบูรณ์ในสุดก็ต้องประลอมประเล่ยมไปเรื่อยๆทุกเรื่องเลยมันอยู่ตรงนี้หมดอยู่ที่ว่าเรามีพลังศรัทธาขนาดไหนแมวอินซีห้า แนวเนสี่ห้าในสี่ห้าถ้าเรามองถึงระบบการจัดการศาึกษาก็คือความพร้อมความพร้อมของผู้เรียนนะครพร้อมจะอ่านพร้อมจะฟังพร้อมจะเรียนพร้อมจะเขียนพร้อมจะทําอะไรแล้วก็โดยผลของคนที่มีศรัทธามันผ่านการปฏิบัติพัฒนาจิตมาจิตไปลดไม่ถึงก็หมดอนะฮะลดโมหะลงไป ลดโลภะลงไปลดโทสะลงไปก็จนจิตใจมีธรรมะหรือมีคุณธรรมเป็นเรือนใจเป็นหลักใจเป็นฐานใจสตานั้นเป็นตัวรวบรวมสเสบียงคือกุศลทั้งหลายไว้สทาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนสท้าที่ตั้งมั่นแล้วจะให้สาเร็จประโยชน์เป็นอนเนกนันจะถึงจะนำคนไปสู่ผลสูงสุดได้เพราะในชั้นนี้ก็สงสดงว่า คุลบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อตายไปกุลบุตรแลือคุณนธิดาก็ตามนะใครก็ตามนะก็จะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์แต่แม้เราเป็นการแสดงผลที่เราเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยจะมากกว่าผลที่เห็นได้ในอนาคตในขณะนี้แปดสิเปอร์เซ็นตเี่ยเราสัมผัสได้แต่เราไม่ศรัทธาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตก็เชื่อตามเทวเ้าว่าเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะ การทำความดีนั้นปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าคือเเป็นผู้ชนะทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าทีเดียวยต้องฝังเท่าไหร่ใต้ร่มระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นต่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บูรณาธิการจุมมีแต่ท่านผู้ฟังงท่ายโดยทั่วกันสวัสดี